ทำไมถึงจะต้องพูดถึงเรื่องการเวลาทำไมจึงต้องพูดถึงเรื่องว่านั่งนอนยังไงทำไมถึงจะต้องพูดถึงเรื่องบริกรรมพูดแล้วพูดอีกทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจและให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเรียกว่าว่ากันไปทุกขั้นตอนจนกระทั่ง มาถึงในวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนของลักษณะการต่อต้านเมื่อเราทำอะไรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาแอต่อต้านเรานั่นมีเยอะไม่ว่าจะทำสมาธินะทำอะไสิ่งอื่นๆทุกอย่างไอไการต่อต้านต้องมี อย่าไปว่าแต่การทําการทํางานของเราแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังต่อต้านกันเองแม้กระทั่งยาที่เราเคยรักษาอยู่มันก็ยังโรคมันก็ยังต่อต้านยาได้ทั้งๆ ท, ที่ยาขนาดเดียวกันเอามากินแต่ก่อนมันหายทีนี้มันก็ไม่หายเพราะอะไรเพราะว่า โลกมันพัฒนาตัวมันเองขึ้นยาพัฒนาไม่ทันก็รักษาโรคไม่หายเพราะการต่อต้านเช่นเดียว ก, กันกับเราทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิสิ่งที่มันจะต้องต่อต้านเรามันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะต้องผลิดสิ่งที่จะแก้ไขยาสาหรับแก้ไขโรค โลกจิตใจอ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาสมาธิก็ต้องพัฒนาเพื่อสู้กบมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่พัฒนาเราก็ปล่อยเ อ, อไปเรื่อยเมื่อปล่อยไปเรื่อยการทําสมาธิเราก็จะบ่นตัวเองเราว่ากาะทําสมาธิไม่เห็นมันได้เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะว่า ไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิขึ้นมันก็เลยสู้ไอ้พวกตัวมารต่างๆไอ้ความต่อต้านต่างๆไม่ได้อย่างที่อุปสรรคของการทำสมาธิเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเพราะสมาธินั่นคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่จำเป็นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ จึงให้ความสนใจไม่มากเท่าที่ควรส่วนบุคคลผู้กำลังทาสมาธิอยู่ยังไม่มั่นคงก็พร้อมที่จะเรรวนหรือยกเลิกดังนั้นจึงเป็นจุดอ่อนของผู้ทาสมาธิในเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาต่อต้านเพื่อให้เกิดความล้มเหลว ครั้งที่เรื่องต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่หนักหนาอะไรด้วยเหตุนี้จึงสมควรแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงในการทำสมาธิจึงจะเป็นการต่อสู้ให้ชนะในที่นี้หมายถึงชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการเทเข้ามาสู่วงการของสมาธิก็เท่ากันกันกบว่าเราเข้าสงคราม สงครามในที่นี้หมายถึงสงครามที่เราจะต่อสู้กับกิเลสก็เหมือน ก, นกันกับทหารที่เข้าเข้าสู่สงครามนั่นแหละเราลองคิดดูว่าทหารทั้งกองทั้งกรมทหารทั้งหน่วยกองบัญชาการกองทัพเยอะแยะเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปสู่สนามรบ ถ้าไม่มีอะไรขัดขวางมันเป็นไปไม่ได้กับระเบิดแล้วก็อะไรสารพัดที่มันจะมาเอาคอยขัดขวางผู้ที่จะไปทําสงครามาถ้าไม่มีเครื่องมือคอยดูก็ถูกกับระเบิดตายหมดไม่ใช่เท่านั้นแม้นแม่ทัพในกองเองก็ยังขัดใจกันเมื่อถึงเวลาขึ้นมาไม่มีความสามัคคี แม่ทัพในกองก็คือคือไอ้ที่มันขัดใจกันนะไม่ใช่ขัดใจอะไรอื่นหรอกนิดนิดหน่อยหน่อยพอขัดใจนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นอะคือลางแพ้ลางลางที่มันเราว่าจะสู้เครื่องต่อต้านไม่ได้ก็คือลางจะให้เกิดความแพ้ก็คือการขัดกันขึ้นมาในภายในของกองทัพอย่างไรก็ตามการเทเราเข้ามาสู่โรงเรียนสมาธิก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องมาสู้มาสู้กับกิเลสกิเลสคืออะไรคือความถือตัวความนึกว่าไอ้กิเลสที่มันเขาเรียกว่าเทธิมานะความไม่ยอมอะไรมันมีอยู่ในเนี้ เ, เราพูดกันไปพูดกันมาแม้แต่ที่นั่งเราก็อาจจะเอ็ดเย็นที่นั่งนี่เป็นยังไงไปไปมา ไอ้ที่นั่งเราเคยนั่งคนอื่นมา น, นั่งจ่อยกลับบ้านที่กว่าอเรียบร้อยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทําสมาธิเสียไอ้มารพวกนี้มันไม่เกิดอ่เพราะว่าเราไปเป็นพวกมันแล้วไม่เป็นไรแต่พอเรามาทําสมาธิาพับเนี่ยมันจะเกิดจนได้มันจะมีอะไร กยอกกะยากอยู่ในจิตใจเขาเราียกกดจุดดามันจะก่อตัวอย่างนี้เป็นต้นยิ่งอยู่บุคคลทุกคนมีอิสระเป็นความภาคภูมิใจของมนุษย์แต่ความอิสระนั้นมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแฝงอยู่ในความอิสระนั้นจึงทำให้บุคคลสูญเสียสิ่งที่ดีงามหลายประการตอลอดจนถึงสมาธิ พราะสิ่งลึกลับในความเป็นอิสระนั้นคือตัวกิเลสตัณหาทําให้เกิดความเศร้าหมองตลอดถึงความเกลียดแคานอย่างไรก็ตามการที่เราได้มาทําสมาธินี้ทําให้มีความอิสระมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะตนของตนได้ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นแนวรูปเพื่อให้ชนะความเจ็บปวดเมื่อยเพือ เอเมื่อก่อนที่เรายังไม่ทันมาทําสมาธิเนี่ยเราเป็นฝ่ายรับลูกเดียวหมายความว่ากิเรดปัญหาโถมเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาได้ทุกด้านเราไม่ได้รู้ก็รับลูกเดียวอเข้ามาทางตารับทางหูรับทางจามูกรับทางกายรับทางใจรับรับหมดมันจะมา หน่วยดิสโก้มันจะมาหน่วยละครมันจะมาหน่วยเอเอมางพ่อก็ไม่ค่อยชำนานมนหน่วยไหนมานักก็ไม่รู้แต่ทีนี้พอเวลาเราทางสมาธินี่เราจะต้องขจาจว่าเรากลับเป็นฝ่ายรุกทีนี้เราไม่รับแล้วอเรากลับเป็นฝ่ายรุกหมายความว่ามึงจะเจ็บกูสู้ มึงเก็บไม่ยอมนั่งกูจะบังคับให้มึงนั่งอ่ามึงไม่ยอมนึกพุทโธกูจะต้องบังคับให้แก น, นึกพุทโธมันไม่ต้องการอยากจะทาําบังคับอันนี้เรีย ก, กว่าเรารุกเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงการที่เราจะเข้ามาทําสมาธิเนี่ยหมายความว่ารุกลุ ก, กรับอันไหนดีกว่ากันนะ ทีนี้ถ้าหากว่ารับเนี่ยไม่รู้มันจะมาลูกไหนอ่ะแล้วมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่าไอ้ฝายรับเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมาใต้ดินมันมาบนดินมันจะมาทุกรูปแบบเราก็รับมันลูกเดียวอย่างอยู่ที่บ้านไอ้นั่นจะเข้ามาเข้าม้อยเนี่ยจะเข้ามาอ้นี่ก็เช่าเข้ามาเอาลูกกร้องแลกปิดเอาท้าแม่นุ่นปิดใส่กุญแจปิดในที่สุดไอ้เข้าม้อยมันก็ แกะลูกกองเหล็กซะแล้วไอ้ขโมยมันก็หากุญแจมาไขาได้อย่างเงี้ยในที่สุดเราก็แย่ทีนี้อันนี้คือหมายความว่าได้แต่รับทีนี้พอเรารุกมีอะไรทีนี้กับขโมยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นู่นตามไปจับมันรู้แล้วตัวมันขโมยหน้าตามันมีหนวดด้วยอะไรอย่างงี้เป็นต้นนอกจากมีหนวดมันก็ยังมี อปานมีเคลามีอะไรกับสารพัดเรารู้มันนี่พอรู้แล้วเราก็จับซะอ่าจับตอนมันจะให้หมดอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันก็มาทําอะไรเราไม่ได้เอ่าตอนก็หมายความว่าไม่ให้มันเกิดมากขึ้นมันค่อยหายไปเพราะฉะนั้นสมาธิเวลาที่เรามาทํากันในปัจจุบันก็คือการรุกเมื่อรูกแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นก็คือยึดเนื้อที่เราต้องการที่จะยึดป ร, ประเทศนี้ลุกเข้าไปได้แล้วเนื้อที่ทถานี้ลุกเข้าไปอีกได้แล้วเนื้อที่ทถานี้อย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถจะแผ่เขาเรียกว่ากรสดาพินิหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไม่ใช่อืนใกล้ แปรกฤษตาเป็นนิหารในตัวของเราเนี่ยให้เกิดความอิสระยิ่งขึ้นแกอยากนั้นสมาธิแก้ไขได้แกอยากนี้สมาธิแก้ไขได้แกอยากจะใจร้อนอยากจะด่าเขาสมาธิบอกว่าอย่าเลยอย่างงี้มั น, ม, นมันเกิดการรุกแล้วก็เกิดการในที่แก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้น เมื่อเรารบอาการมันก็ต้องหนักกว่ารับอเพราะว่าเขากําลังรับอยู่เขาฝังหลุมระเบิดบ้างเขาเตั้งป้อมบ้างเขาเทําสนามเพลาะบ้างไอเราตัวไปเปลยไปอย่างเงี้ยมันก็ยิงเอายิงเอาแต่ทีนี้เมื่อมันยิงเอาแล้วเรามีของดีสัอย่างยิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่ออกไอ้ย <laughs> ยิงก็ไม่ออกฟันก็ไม่เข้าเรื่องมันอทีนี้แล้วมันจะยิงได้ยังไงก็แอนออกให้มันยิงนี่ก็เพราะเหตุใดก็เพราะว่าขนันติเราก็มีความอดทนเราก็มีต่อสู้ก็มีหลวงพ่อบอกเดินอย่กรมเดินหลวงพ่อเอานั่งสมาธินั่งหลวงพ่อบอกว่าเรีย น, นเอา้าเรียนนี่อย่างงี้ยบอก็นั่งนี่คือเรียกว่ารุก เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นความสงบความสบายต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างมห า, อ, นานอันันนับตั้งแต่วินาทีของการเริ่มต้นณที่นี้จนกระทั่งมาถึงบัดนี้หลวงพ่อก็แน่ใจว่าทุกคนนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือได้รับประโยชน์ภายในเกิดขึ้นหมายความว่าเราแผ่กิจดาพิณิหารได้เยะ ในร่างกายอันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยอะไรตาะนิดก็ไม่ได้อะไรต่อน้อยก็ไม่ได้แต่เวลานี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งแนวรุกอย่างนี้แล้วในพวกแนวรับมันหนักขึ้นมันก็จำเป็นที่จะต้องหาสิ่งต่างๆเนี่ย มาทํำลายและทําลาย อ, อตัวของเรานี้ทําลายได้อย่างไรมันก็ต้องเอาสุดฤทธ์ของมันมันมีฤทธิ์เท่าไหร่มันก็จะต้องปล่อยหมดฤทธิ์มันก็มาทางขาก็ปวดมาทางขาทางแขนทางประสาทอะไรมันก็จะวุ่นวายกันไปหมดแหละในร่างกายอันนี้ไ อ, อ้บางครั้งมันสบายก็สบายไป แต่บางครั้งมันวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดเราวุ่นวายคือสมองเนี่ยเราจะทำสมาธิมันหนักเต็มทีเลยสู้มันไม่ค่อยไหวเมื่อสู้มันไม่ไหวก็ยกให้บอกว่าตอนนี้แพ้วันพระไม่ได้มีวันเดียววันหลังกูกเอามืองมั่งละเพราะั้นเราจะเอาอย่างนี้ถึงยังไงเนี่ยการลบมาไม่ใช่ว่า เขาจะชนะไปอย่างเดียวเขาก็ต้องมีแพ้บ้างแต่ว่าถึงยังไงเราชนะมากกว่านั่นแหละดีกว่าการที <c oughs> <c oughs> ่ช <c oughs> ีวิตของเราต้องต่อสู้เหตุการณ์ประจำวันเราจะทราบดีว่ากิจการต่างๆมีทางได้และเสียอันที่ว่านี้เป็นบทเรียนของมนุษย์อยู่แล้วแต่ทั้งจะได้หรือเสียนั้นก็กลับกลายมาเป็นฐานะอันมั่นคง ของครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างดีเพ ร, ะราะอะไรเพราะว่าในการต่อสูออ้ในกิจการงานต่างๆนั้นบางครั้งเมื่อมันชนะไปเราได้ผลบางครั้งมันแพ้ไปเราเสียเสียเปรียบไปเสียเปรียบก็เป็นบทเรียนต่อไปในที่สุดเมื่อเราเข้าใจดีมันก็ทำให้ความมั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม ด้วยเหตุนี้นเวลาทำสมาธิจึงต้องการการต่อต้านการต่อต้านที่สาคัญคือความกระวนกระวายความฟุ้งซ่านความไม่สงความปรารถนาความเสียหายต่อกิจการการขาดการปรองดองเป็นต้นคืออันนี้หมายความว่าไม่สงความปรารถนาเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่สงความตั้งใจันแล้วก็ เวลาทำสมาธิแม้การงานเราควรทาได้เราก็มาทาสมาธิเสียการเสียงานไปขาดความปรองดองก็คือว่าไอในตัวของเราเนี่ยมันสับสนวุ่นวายตัวหนึ่งก็จะมาตัวหนึ่งก็ดึงกลับตัวหนึ่งก็จะมาตัวหนึ่งก็ดึงกลับอย่างนี้ <c oughs> อันนี้เป็นต้นเป็นต้นเหตุของความที่เราจะต้อง ต่อสู้และต่อต้านนอกเหนือไปจากความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนือ่อยความหิวแต่ว่าความหิวเนี่ยนักศึกษาคงไม่มีนะคงจะเขาจะพูดไปถึงพระมากกว่าเพราะว่าพระตอนบ่ายก็ไม่ได้ฉันมันก็คงหิวหน่อยๆน่อย <c oughs> แต่ถึงยังไงก็ตามตความหิวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะ ออถ้าเวลามันหิวขึ้นมานี่ใครจะไปเที่ยวพูดกันมักง่ายเราจะพูดกันนะพูดกันตอนที่มันไม่หิวอตอนที่มันไม่หิวจะพูดกันน่หนักหน่อยไม่เป็นไรแต่ตอนหิวอย่าไปแตะต้องกันอันนี้ขอเตือนไว้หน่อยอเพราะว่าตอนหิวเราโมโหขึ้นมาแล้วมันหน้ามืดมัเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่คนอื่นหลอกหลงเพ้วกระโดนไปหลายหนอ ตอนแม่ยังไม่ทันได้ถันเลยกำลังจะถันคนเอาอย่างนี้อย่างงี้มาด้วว่าพอฉันหอิม่มแล้วใจะเออไม่เป็นไรใครจะถอยไงยก็ได้ได้งั้นในตอนหิวที่ไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะขอเตือนครอบครัวทั้งหลายว่าเวลาเอภริยาก็ดีหิวก็ควรจะเอาใจเวลาสามีหิวก็ควรจะเอาใจหน่อย เพราะว่าอีกตอนนั้นมันสําคัญเนี่ยเราลองคิดดูว่าที่ในเมืองภาคอีสานน่ะมีเข้าทำพระเจดีย์ไว้องคหนึ่งเจดีย์นั่นเขาเรีย ก, กว่าเจดีย์อะไรน้อยวะฮ ะ, ะเจดีย์กล่องข้าวน้อยเพราะอะไรยึงเจดีย์กล่องข้าวน้อยเพราะว่าวันนั้นแม่เอาอาหารไปส่งลูก กู ก, กลังไถานาอยู่เอาหลวไปไถานาอยู่ที่นี่แม่ก็เอาไอ้กระติบข้าวเหนียวเนี่ยมันเล็กเท่าเนี้ยมันไม่มากแต่ว่ามันเต็มเยอะในะข้างในอ่ะแต่ทีนี่ไอ้ตอนนั้นมันหิวอ่าตอนนั้นมันหิวกับมองกระติบนี่นิดเดียวแม่กูหิวเกือบตายเมื่อามาให้กูได้งไงเท่านี้ว่าแั้ตีเอาไม้ประตักตีควายตีแม่ตายคาที่เลย เส็จแล้วมากินไม่หมดอ่ะอมันเยอะอ่ะตาลายอ่ะเนี่ยในตอนหิวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อของการต่อต้านสมาธิในข้อนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเราจะพูดถึงว่าการต่อต้านสมาธินี้เป็นเรื่องสำคัญอ่าจะอยู่จะไปจะอะไรเนี่ย ความกวนกวรด้วยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันสำคัญมากไม่ใช่สำคัญเล็กน้อยอ่เพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกจากการทำสมาธิเลิกจากการเรียนสมาธิเลิกไปได้อ น, นั้นอ่ะการต่อต้านอันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขสิ่งอันนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด <c oughs> ยางไงก็ตามวันนี้ก็คงจะเป็นเริ่มอาทิตย์อาทิตย์แรกปรอาทิตย์ใหม่เริ่มมา ก, การต่อสานนี้ก็คงอธิบายไว้เท่านี้คนจะพอเข้าใจได้แต่ก็ต้องว่ากันไปอีกตอนที่จะต้องเดินทางขึ้นเขาแล้วอยากที่มีคนช่วยหาบขึ้นเขาข้ามเขาไปแล้ว แต่เวลาที่เราเดินทางข้ามเขาเนะี่ยในใจก็คิดไปคนยังไม่เคยขึ้นเขายังไม่รู้นะว่าไอ้ขึ้นเขาเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราคิดว่าคนปีนเขาเนี่ยโอ๋อปีนก็ไม่เห็นเหนื่อยอะไรแต่ธรรมดาก็ลองดูว่าไอ้ปีนเขาเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนแต่ทีนี้ในปีนเขา ลูกนี้นะ่ะมันเขาใหญ่มากต้องเดินวันเดียวด้วยเพราะว่าข้างคืนในป่าไม่ได้เนื่องจากป่าไม้เขาห้ามห้ามไม่ให้เรานอนในป่านั้นต้องเดินข้ามในกลางวันให้พ้นห้ามไม่ให้นอนนี่ป่าไม้เขาสั่งไฟทำไมถึงสั่งเพราะว่าในป่านั้น เ, เสือมันมีอยู่สิบแปดตัวเสือลายพากกร แล้วก็หมีก็มีงูจงอางก็มีบอกว่าหลวงพ่ออย่าอยู่เลยนะข้ามไปเอถอะพระท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จําเป็นต้องเร่งขี่เทา้าในทั้งหมดที่ข้ามภูเขาไปหลวงพ่อนับได้ร้อยสามสิบสามคดขึ้นไปอย่างเงี้ยหนึ่งคดไปอีกทีเนึ้ยก็สองคดไปอีกทีหนึ่งก็สามได้ร้อยสามสิบสามคดออกจาก แคมของพวกป่าไม้เนี่ยแปดโมงไปถึงวากโนนใช้ทุ่มหนึ่งพอดอีทุ่มหนึ่งก็พ้นพ้นจากภูเขาเรียกว่าเดินกันไม่หยุดเดินกันไม่หยุดก็เร่งฟีเท้าด้วยก็เรียกว่าเหนื่ยอยแทบใจขาดแต่ว่า แเรา อ, อาจารย์กับลูกศิษย์ก็มองหน้ากันมองไปมองมาก็เดินต่อมองหน้ากันมองไปมองมาก็เดินต่อพอข้ามเขาท่านั้นเองอาจารย์จับไข้เลยเฮ้ย hey, ทำไมมันขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างนี้วะ uh huh. อ้าวมันก็จับไข้ละสิ uh huh. นั้นจับไข้ก็นอนมันตรงนี้อ่ะก็พอดีพ้นภูเขาไปมี ป่าตรงนั้นก็ปูที่นอนให้ท่านเสร็จเรียบร้อยโอ้เป็นไข้จริงๆท่านสั่นเนื้อมาเลเรียเล่นงานอาจารย์ซะแล้วมาเลเรียเล่นงานอาจารย์ก็บอกว่าพรุ่งนี้เดินไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ตรงนั้นเป็นไงก็เป็นกันในที่สุดอาจารย์ก็เดินเพื่อที่จะให้ถึงถ้างัวแดงให้ได้ในวันนี้ในที่สุดท่านก็เดินไปนะ เฮ้ยตากแดดนี่มันไม่ร้อนเนี่ยว่าตากแดดมันหนาวเว้ยวิทยามเขาบอกงั้นนะเอ้าตากแดดมันหนาวได้ไงละ่ะนี่ยผมมือแตกเสือแตนเลยมันบอกผมเฮ้ยมันตากแดดมันหนาวเว้ยแท้ที่จริงท่านทั้งจับไข้ทั้งเดินน่ะโอ้ยก็สงสารท่านหน้าดูจนกระทั่งไปถึงถ้ำงัวแดงในวันนั้นอ่ะตอนค่ำหน่อยๆเกือบจะตะ ว, วันโพเพลแล้วก็ไป <c oughs> ไปถึงเมื่อไปถึงถ้างัวแดงอาจารย์ป่วยหนักเอเราทำยังไงดียาควินินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่พูดย่อๆว่าต้องอยู่ที่ถ้างัวแดง น, นั่นสี่สิบห้าวันกว่าอาจารย์จะหายแต่ในสี่สิบห้าวันมีอะไรเกิดขึ้นเอาไว้เล่าพวงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออการถามปัญหาก็คงจะต้องมาจากใจพอสมควรก็ะถามได้ตามอัธยาศัยมันสงสัยอะไรก็ถามในระหว่างที่ว่าคณะนักศึกษาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เป็นอาจารย์ก็ตอบในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็แล้วกัน <c oughs> อันดับแรก ไพลัตมหทานทิพย์ครับนมัทสการ์พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์เกลณาอธิบายถึงความแตกต่างและความเกี่ยวข้องระหว่างจิตวิญญาณและอธิสมานกายด้วยครับจิตวิญญาณอธิสมานกายสามอย่างใช่ครับจิตคือผู้รู้วิญญาณคือผู้ตามรู้ เป็นกิริยาของผู้รู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลามีชีวิตอยู่นี่วิญญาณมันยาวออกมานี่มันมารับรู้ต่างๆ่างพอเวลาคนตายแล้ววิญญาณอันนี้จะหดตัวก็ไปอยู่ที่จิตส่วนอาทิตย์สมานกายนั้นเป็นกายทิพย์ที่จะรองรับจิตของเราอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าอาทิตย์สมานกายอืมขอขอบพระคุณครับเอ เอคุณพระขนันสีนวลกลาวนนิมมสการพระอาจารย์ค่ะคือจิเราก็คงจะนับพวกสัตว์สัตว์มันก็เยอะแต่ว่ามันตายตายต้องจะมาเป็นมนุษย์ได้ไหมเพราะว่าการที่จะมาเป็นมนุษย์นี้จะต้องมีอัปปมัญญาสี่ประการทีนี้อย่างพวกสัตว์นี้มันมีอัปปมัญญาอยู่ว่าข้อนึงมันรู้จักรักลูกแล้วมันก็รู้จักปฏิบัติลูก แล้วมันมีเมตตาเขาเรียกว่าเป็นอภัมญญาธรรมทีนี้มันก็สะสมมันนั้นไปเยอะๆจิตวิญญาณ น, นั้นก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเมื่อพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วจิตใจก็เกิดการเหี่ยมโหดมันก็ลดจากการพัฒนานั้นขึ้นมามันก็เลยกลับกลายไปเป็นสัตว์อีกอย่างเงี้ยอันนี้คือความเป็นโลกมนุษย์ ทางคำดีพุทธศสนานแสดงไว้อย่างนี้เออแล้วไม่ทราบว่าอย่างโลกมนุษย์อย่างนี้ก็ยังมีผู้รายที่ว่าแหกคุกออกมาแล้วก็มาเที่ยวฆ่าคนเนี่ยไม่ทราบว่ามีนรกแตกอะไรอย่างนี้หรือว่าหนีนรกมาเกิดหรือเปล่าครับเออนรกไม่แตกแต่ว่าถือว่าคนที่มีความเหี้ยมโหดเนี่ยหมายถึงว่าไอจุดดําหรือว่ากิเลสตัวเนี้ย มันไม่สามารถคือพลังจิตมันไม่มีมันควบคุมใจของมันไม่ได้ว่ามันควบคุมใจไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดมันก็ต้องระบายพวกนี้พวกที่มีอันตรายมากก็คือการควบคุมจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามทำโรงเรียนสมาธิขึ้ น, เ, นเพื่อจะขยายงานนี้ให้กว้างขวางเพื่อจะได้แก้ไข ไอ้ความเหี้ยมโหดของคนลงไปได้ถ้าหากว่าเราทำกันจริงๆกราบขอพรคุณพระอาจารย์ค่ะอ่ะต่อไปก็ขอเชิญคุณพรทันทันอยากุนทิดกราบในรัศ ก, การพระอาจารย์ที่เคารพค่ะเสร็จอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการแผ่ส่วนบุญกุศลนะคะไม่ทราบว่าทุกครั้งที่เราทําบุญแล้วแผ่บุญกุศลนี่จำเป็นต้องใช้น้ำ ในการส่งถ้าเราไม่ใช้นี่จะใช้สมาธิส่งจะถึงไหมคะอ่าสมาธิส่งก็ถึงน้านั้นเป็นเบียงสัญลักษณ์หนึ่งเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีน้ำแต่ว่ า, าการแผ่ส่วนกุศลเนี่ตั้งแต่ครั้งก่อนโน้นมาครั้งพุทธกาลก็ใช้ความนึกพอนึกไปเนี่ยนึกแผ่ส่วนกุศลไปก็ถึงแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช้น้มก็ถึงแล้วจะถึงทุกครั้งหรือเปล่าคะถึงทุกครั้งหรือไม่นั่นอยู่ที่ผู้รับ <ummy> อย่างดวงวิญญาณต่างๆเนี่จะสามารถรับของเราได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้รับแล้วถ้าหากว่ารับไม่ได้นี่จะมีการฝากไว้ก่อนไหมคะก็ฝากเทวดาไว้พูดเล่นพูดเล่น กราบขอพระคุณค่ะคือเขาพยายางเนี่ยเขามีคำว่าข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนกุศลไปให้แกสัรภรษัตทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายทราบแล้วจะมานุโมทนาส่วนกุศลเหล่านี้ด้วยเถิดและขอให้เทพยดาผู้มีศักดียิ่งใหญ่จะนำข่าวสารนี้ไปบอกกษัตริย์เหล่านั้น ก็มีคำพูดอย่างนั้นอีกทีหนึ่งคือบางทียังไม่ได้ข่าวเทวดาเขาลับแล้วเขก็นําข่าวอันนี้ไปอันนี้เป็นคําพูดของท่านพระเกจิอาจารย์บางองค์แต่อันนี้ก็ยังไม่ไมค่อยจะรับรองนะักแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราแผ่ส่วนกุศลนี้จะมีน้ําหรือไม่มีน้ํามีค่าเท่ากันอ่าต่อไปขอเชิญ คุณพัทธพรเผ่าตีเจริญการมาสการท่านพระอาจารย์เจ้าคะทีฉันมีเรื่องถามว่าเมื่อสังขารมีความเจ็บปวดเจ็บป่วยจะแยกจิตกับกายออกจากกันโดยไม่รู้สึกความเจ็บป่วยหรือระ ง, งับความเจ็บปวดได้ชั่วพร้าวทิฉันอยากทราบว่าจะปฏิบัตินั่งสมาธิถึงขั้นไหนเจ้าคะเึืจะ ท, ทําเช่นนี้ได้คะเอ่อ สมาธิเราขั้นธรรมดานเนี่ยก็สามารถที่จะแยกกายกับจิตได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรากำหนดจิตก็เรากำหนดจิตอยู่แล้วคืออย่างพุทโธพุโธอย่างเนี้ยแทบเดียวนี่จิตจะเข้าพวังพอเข้าพวังมันจะแยกได้ ท, ทันทีจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจึงบอกว่า เข้าไปเถอะผวังเข้าไปเยอะๆก็ได้แต่ว่าเข้าแบบมีสติอย่างที่เรานั่งสมาธิเนืพ้พุโทโธพุทโธไปอย่างไงเราเข้าผวังแต่ยังไงก็ตามการเข้าผวังเร็วเกินไปเนี่ยเราได้พลังน้อยไปเราจะต้องชะลออย่าให้เข้าผวังเร็วนักพอเนึ้พุโทโธแล้วก็ตั้งสติไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยให้จิตมันลงผวัง แต่คนเขาจะแยกกายกับใจเนี่ยพอตั้งจิตพับนึกพุทโธลงพวังเลยก็เรียกว่าแยกกายได้เลยแยกกายกับจิตต่อไปขอเชิญคุณพัทรวดีภูพรวิวัฒน์กาบนมัธศการท่านพระอาจารย์ค่ะทราบว่านะคะว่าการนั่งสมาธิมีสองแบบคือหนึ่งแบบเรียบง่ายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าวิธีสาสมาธิ กับแบบที่สองคือแบบมีพิธีรีอตองหรือมีหรือมีขั้นตอนนะคะสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรครูสมาธิของท่านพระอาิปรย์นี้ทราบมาว่าท่านามีวัตถุประสงค์ก็คือว่าใหา้สิทธิยานุสิ์เนี่ยรู้วิธีการนั่งสมาธิแบบมีขั้นตอนจนถึงแบบมีขั้นตอนได้อันตัวสิทธินั้นสิทธิได้ปฏิบัตินะคะแบบมีขั้นตอนได้แต่เฉพาะที่วัดคือที่นี่เท่านั้น แต่เมื่ออยู่ที่บ้านนะคะหรืออยู่ที่อื่นๆที่เวลาสิทธิ์จะนั่งสมาธิสิทธิ์จะทำได้เฉพาะแบบวิิสาสมาธิคือแบบเรียบง่ายเท่านั้นสิทธ์อยากกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าการที่สิทธิ์ได้นั่งสมาธิแบบเรียบง่ายนั้นตลอดไปเป็นการถูกต้องไหมคะและถ้าไม่ถูกต้องจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงตนเองอย่างไรการถามสมาธิ เรื่อทีว่าวิธิ ส, าสมาธิเนี่ยก็ยังไม่แนะนำไว้ถึงแต่ก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ทันถึงคือวิธิ ส, าสมาธินี่สำหรับโดยทั่วไปเนี่ยโดยจุดประสงค์ต้องการที่จะให้คนทำสมาธินี่สามารถทำได้ทุกๆคนคือหมายความว่าเราทำเช่นอย่างวันหนึ่งทำสิบห้านาทีเนี่ย เช้าหกโมงถึงหกโม ง, งห้านาทีกลางวันสิบสองถึงสิบสองห้านาทีเย็นหกโมงถึงหกโมงห้านาทีตื่นเช้าขึ้นไปก็ทำใหม่อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าวิธิศ ส, สมาธิวิทิศ ส, สมาธินี่มีผลเพราะว่าถ้ารวมกันเดือนหนึ่งจะได้สี่ร้อยห้าสิบนาทีก็รวมเจ็ดชั่วโมงคือตามธรรมดามาตรฐานขั้นต่ำเนี่ มนุษย์ต้องการแค่หกชั่วโมงถือว่ามาตรฐานขั้นต่ำถ้ามีหกชั่วโมงแล้วให้ความเครียดหรือแก้ไขได้เนี่ยจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแบบมีพิธีติดตองอะไรต่างๆก็คือเราต้องการอยากจะทำให้มีวิธีการเพื่อความ เ, เป็นรับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการ อ, นนอาจจ ะ, ะรับนั่งไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะต้องอให้พยายามคิดอย่างหนึ่งว่าการทำสมาธิเนี่ยเหมือนกันกันกบเราไปแสวงหาเงินอย่างนี้การหาเงินเนี่ยมันจะได้วิธีไหนเนี่ยมันก็สุดแล้วแต่แต่จุดประสงค์คือการต้องการเงิน เช่นเดียวกันกับการทำสมาธิเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็คือการสะสมพลังจิตสะสมพลังจิตนั้นแม้แต่วินาทีของการเลิกนึกพุโทโธการสะสมพลังจิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อสะสมขึ้นไปมากขึ้นมันก็ได้มากตามลำดับเอ<ะ><ะ>อท่านเนี่ยต่อไปขอเชิญคุณ พัทราธรรมาคมกราบนำมรส ก, การพระอาจารย์ค่ะสิ่งที่จะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเราจะมีวิธีทำสมาธิได้ทั้งวันยังไงบ้างคะอะสมาธิทั้งวันเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าสมาธินี่ก็คือใจของเราใจของเราเนี่ยจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนที่อยู่ก็เราไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้ สมาธิเป็นไปทั้งวันเน่เราก็พอตอนเช้าขึ้นมาก็เกรียมนึกสมาธิแหละพอเวลากลางวันขึ้นมาก็นึกถึงสมาธิต่อไปพอตอนเย็นขึ้นมาก็นึกถึงสมาธิพอตอนเช้าขึ้นมาเรานึกสมาธิอีกถ้าเป็นในแบบนี้มันจะไปเวียนยี่บสี่ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าเราทำตอนเช้าแล้วก็นึกถึงกลางวันพอเราทำกลางวันก็นึกถึงเย็น พอทำเย็นแล้วตอนเช้านี่เราจะต้องทำอีกเราก็นึกถึงตอนเช้ามาเป็นอย่างนี้เนี่ยสมาธิมันก็กลายเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้เป็นตน้นขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณพาวดีวิทยาวงรุจจิกราบนมต ร, รการพระอาจารย์ค่ะคะืออยากจะถามว่าตอน<ด>ที่จิต<ด>มันฉ<ด><ด>ายภาพเก็บความนึกคิดไว้อยากราบว่า ภาพที่ฉายเก็บไว้จะปรากฏที่อธิสมัมมนกายด้วยหรือไม่และจะกําจัดภาพที่ฉายมาเก็บออกจากอธิสัมันกายให้หายได้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่เข้าสอธิสมัมนกายไปนานๆแล้วถ้ามีผู้อื่นไปมาขยับเพรเื่อนตัวของเราไปไว้ที่อื่นแล้วจิตของผู้นั้นจะสามารถกลับเข้ามาร่างกายของเราได้หรือไม่เจ้าคะเออันนี้ถามยังเกะ เรื่องเล่นละครแน่ถ้าออกได้ยังไ่จริงแล้วเรื่องของอธิษฐานกายนี้มันจะไปออกมาเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาดึงเอ้อธิษฐานกายของเราไปที่อื่นได้แล้วก็อธิษฐานกายจะไป ถ้าหากว่าอธิสม์กายเนี่ยเมื่ออยู่ในจิตของเราอย่างนี้มันก็จะอยู่ในจิตโดยความเป็นอิสระแต่ว่าอย่างไรก็ตามอธิสม์กายนี้จะมีอิทธิพลหรือว่ามีกำพลานุภาพขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลังจิตของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับว่าไปเพิ่มพลัง ของอธิษมานกายที่จะทำงานต่างๆได้อันนี้เป็นหลักการส่วนการถ่ายภาพเข้าไปนั่นเขาถ่ายภาพลงไปที่ใจไม่ได้ถ่ายภาพไปที่อทิษมานกายจะถ่ายภาพไว้ที่ใจใจของเราเป็นผู้ที่เก็บ เ, เก็บภาพต่างๆแต่ภาพต่างๆเหล่านี้ที่ฝังอยู่ในใจของเรานั้นมันไม่มีการลบลบไม่ออก เพราะว่ามันจะฝังไว้แบบเดียวกับฟิล์มอย่างเงี้ยฝังไว้มันก็อยู่อย่างนั้นนะจะ อ, ออกมาใช้หรือไม่ออกมาใช้มันก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแต่พอเวลาที่จิตมันเข่ารวังเนี่ยเมื่ออะไรมันอยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็จะปรากฏภาพพนั้นออกมาเท่านั้น่ะแหาะขอบคุณเจ้าค่ ะ, ะต่อไปขอกเชิญคุณมนพลพานุรัศมีนีขับธรรมสการหลวงพ่อครับ เออผมมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาศีล น, นะฮะก็มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อการทําสมาธิครับแล้วก็จะต้องเคร่งคัดถึงระดับไหนฮะถึงจะทําให้การทําสมาธิเ้าหน้าเร็วเรื่องของศีลก็มีอย่างคราวาสก็มีศีลห้าเป็นหลักประกันคือไม่ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ไม่ขโมยของเขาไม่พูด ข, ข่มขืนอนาจารไม่โกหกหลอกลวง ไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นสินแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ละเมิดสินเป็นอาจินก็การทำสมาธิก็ลำบากหน่อยแต่ยังไงก็ตามสมาธิสามารถที่จะแก้กรรมได้อย่างหนึ่งคือเมื่อทำสมาธิจิตมัน เ, เกิด อพลังขึ้นมาแล้วนี่มันไปทำบาปไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อตอนเด็กๆเกนี่ยอออเไปปักเบ็ดพอเวลาน้ําขึ้นมานี่ก็ไปเก็บเศษเดือนไปเก็บเศษเดือนน่ามาใสเ่เบ็ดแล้วก็ไปปักปลามันก็ติดมากินเศษเดือนแล้วก็เก็บมาได้เยอะทีนี้เราก็ทําทุกวันไม่ทาก็ไม่ได้เพราะอยู่ก็พ่อกับแม่เขาใช้ให้ไปทําก็ต้องทําแต่พอมันนั่งสมาธิแล้วเนี่ย ไปทําไม่ได้พอเวลาจะไปตกเป็ดก็เอาเป็ดจอดลงไปไม่เอาเหยื่อใส่เพราะกลัวปลาจะมากินนี่คือลักษณะของจิตที่มันเกิดพลังแล้วอย่างเงี้ยยศแม่ก็บอกว่าไม่งั้นจะกินอะไรกินอะไรก็เอาแห่ไปเราก็บอกว่าปลาแกหนีนะแกจะมาอยู่เช่นจะหวานลงไปแล้วหวานลงไปปั๊บไอ้ตามธรรมดามันต้องขึ้นเรา ปลามันจะมาติดตรงเพลาเพาแหเราก็ไม่ขึ้นเราปลดเพาหมดเพื่อให้ปลามันวิ่งหนีเราวานลงไปมันก็อุตจาริมาติดได้สองสามตัวเราก็บอกว่าแกเอ้ยบอกให้ไฟก็ไม่ไปเราก็เลยไปปลดแล้วก็ปล่อยมันไปกลับมาถึงบ้านโยมแน่บอกว่ า, ปาเป็นยังไงเราบอกว่าโอ้ยปลามันไม่มีอ่ะปลามันหายหมดแล้วหวานก็ไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันเป็นไปเองอ่ะอาวะทางนี้ก่อนก็แล้วกันไปเดียวยังต้องอีกคนหนึ่งพคุณครัขอเชิญ ค, คุณมาไล่นาคเกิดกราบ น, นมัสการพระอาจารย์ค่ะจิตอยากจะเรียนถามว่าเวลาที่เข้าห้องผ่าตัดนะฮะเมื่อถูกวางยาสลบแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันเงียบไปเฉยๆไม่มีการเจ็บเลยก็เมื่อฟืนแล้วถึงจะเจ็บ ทั้งๆที่เวลาที่ผ่าตัดนั้นเป็นเวลาเกือบชั่วโมงจิตก็คงอยู่ที่นั่นเองแต่ว่าความรู้สึกของร่างกายเนี่ยมันหมดไปเขาเรียกว่าเคลียร์วิธีการเคลียร์ร่างกายของเราให้หมดไปเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีวิธีหนึ่งคือการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิมันจะเคลียร์ร่างกายหมดความรู้สึกจิตเขพผ่งไปและอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อ หรือว่าตามธรรมชาติมันจะเคลียร์ร่างกายเสร็จแล้วมันก็นอนหลับหมายความนอนหลับไปนี่ก็เป็นวิธีเคลียร์ชนิดหนึ่งและสำหรับการวางยาสลบนี่ก็เป็นวิธีเคลียร์ร่างกายชนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายนี่หมดความรู้สึกจิตนั่นก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละจะอยู่อยู่ในใจของเราอยู่ในร่างอทิยสมันกายแต่อยากทราบว่าบางคนเขาบอกว่าเวลาเขา ได้รับยาสลบเนี่ยเขาเหมือนอย่างกับฝันไปเจอนู่นเจอนี่อะไรเยอะแยะน่ากลัวน่ากลัวแต่ของลูกเนี่ยก่อนจะก่อนจะผ่าตัดนะคะหมอ ก, ก็จะชวนคุยดิฉนันก็บอกว่าไม่คุยอ่ะขอพุโทโธรเราก็พุโทโธไปเรื่อยเรื่อยรื่อยอันนี้ใช่ไหมฮะที่ทําให้เงียบสงบโดยใจไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเออเหมือนกันะเราพุโทโธรก็หายไปเพราะว่าเขาจะเคลียร์ร่างกายเราอยู่แล้วอย่างเนี้ยอาเพราะฉะนั้น เรื่องของการสลบก็หมายความไม่ใช่สลบท เ, เขาเคลียร์ร่างกายอะ่ะให้มันหมดไปวิธีการเคลียร์ร่างกายก็มีสามอย่างอย่างที่หลวงพ่อบอกมานั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าข้อสําคัญที่สุดนี่นะต้องกระซิบให้ฟังว่าใ้เวลาที่เขาเอายาสลบทว่าใส่ยาสลบแล้วความรับเปิดหมด หมายความว่พพอเขาเอายาสลบใส่ภัพเนี่ยไอ้ความลับที่เราเคยปิดไว้นั่นเปิดหมดโดยตัวเองทราบไหมเจ้าคะไม่รู้รู้แต่หมอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าก็ขอจบรายการเพียงเท่า น, นี้